และติดตามการการะทมของเขาบท น, นี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ไว้ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีมีคุณธรรมและคนชั่วผู้กระทำผิดพร้อมแต่ได้ชี้แจงถึงบรันปลายของทั้งสองฝ่ายบท น, นี้ได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกิยามะในวันนั้นทุกชีวิตจะประาศจากซึ่งพลังและอำนาจใดๆ ลลอองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ส่งอำนาจโดยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเมื่อชั้นฟ้าได้แตกและเมื่อบันดาดวงดาวหล่นกระจัดกระจาย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 ลไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนตังหากและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลาัยกะผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก พวกเขารู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ in, in ah in, ถ้าจริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปราดและถ้าจริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน